ตอนที่สในวัยหนุ่มการเวลาผ่านไปเจ้าชายทรงเจริญวัยขึ้นสู่ความเป็นหนุ่มแต่สิ่งอันรื่นรมทั้งหลาย ที่พระบิดาจัดประทานให้อย่างเลิ่อเลือนั้นจะเป็นปราสาทก็ตามสวนหรือสระน้าก็ตามสถานที่สำหรับทรงขี่ม้าและที่ทรงดำเนินเล่นก็ตามแม้ทั้งเหล่าข้าราชบริพารสาวสันกำนันนางก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าที่จะหยุดความคิดอันลึกซึ้งของเจ้าชายได้เลยพระราชาทรงสังเกตเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นเพื่อน่วงเหนียวจิตใจของพระโอรสให้ยึดติดอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงพระองค์เรียกประชุมหมู่มุขอาหมาตทั้งหลายเพื่อว่าจะมีใครสามารถรู้วิธีที่จะทำให้คำพยากรณ์ของพระฤาษีกาลเทวินผู้สูงอายุนั้นไม่เป็นความจริงขึ้นมาได้ อมาททั้งหลายได้ถวายความคิดว่าทางที่ดีที่สุดในการที่จะยึดหน่วงจิตใจเจ้าชายไม่ให้คิดไปในทํานองสละโลกนั้นมีอยู่อีกวิธีเดียวคือให้เจ้าชายเสกสมรสเสียเจ้าชายจะได้พัวพันอยู่กับพระชายาจนไม่มีเวลาหวนคิดถึงสิ่งใดจนถึงเวลาเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ ตามประสงค์ของพระบิดาพระราชาทรงเห็นด้วยในความคิดอันแยบขายนี้รับสั่งให้ประกาศไปยังบรรดาหญิงงามทั้งหลายให้มาสู่นคนกรกบิลพัทในวันที่กำหนดไว้เพื่อจะครับรางวันในความเป็นกุลสตรีที่ทรงความงามจากพระหัตถ์ของเจ้าชายจากนั้นพระองค์ได้จัดให้อมัดที่ชานฉลาดจำนวนหนึ่ง คอยจับตาดูพระโอรสเพื่อสังเกตว่าจะมีท่าทางพอใจสตรีใดเป็นพิเศษในที่สุดวันประกวดสตรีงามก็มาถึง แต่แม้พระหัตของเจ้าชายจะยื่นประธานของรางวัลให้แก่บรรดาสตรีงามซึ่งล้วนทรงพระตราพร อ, อันแพรวพราวทอตานั้นก็จริงแต่พระไทยกลับทรงครุ่นคิดถึงสิ่งที่ใหญ่หลวงกว่าเป็นความจริงแท้กว่าสิ่งยั่วยวนตรงเบื้องพระพักจนสตรีเหล่านั้นแทนที่จะปลาบปลื้มยินดีที่จะได้เข้าใกล้พระองค์ กลับมีแต่ความสทกสทานเกรงกลัวพวกเธอรู้สึกเหมือนว่าพระองค์เป็นเพียงเทวรูปองค์หนึ่งมากกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาบรรดาอมารที่เฝ้าสังเกตการอยู่จนเกือบถึงสตรีคนสุดท้ายและของรางวัลก็จะหมดอยู่แล้วคิดว่าจะต้องกลับไปทูลพระราชา ถึงการไร้ผลในวิธีการนี้แต่แล้วในขณะที่ทุกคนคิดว่าเป็นสตรีคนสุดท้ายและเข้ารับรางวัลชิ้นสุดท้ายผ่านไปแล้วปรากฏสตรีนางหนึ่งได้เดินเข้ามาซึ่งนับว่าช้ากว่ากำหนดทุกคนที่จับตาดูอยู่นั้นได้สังเกตว่า ในขณะที่สตรีผู้นั้นเดินผ่านมาหยุดอยู่ตรงพระพักเจ้าชายได้มีอาการสะดุ้งนิดหนึ่งและสตรีนั้นแทนที่จะก้มหน้าเอียงอายหรือตื่นกลัวอย่างบรรดาสตรีทั้งหลายนางกลับมองพระพักเจ้าชายอย่างตรงๆงแย้มยิ้มแล้วถามว่ายังพอมีรางวัลอะไรเหลืออยู่สำหรับหม่อมฉันบ้าง เจ้าชายทรงยิ้มตอบและตรัสว่าฉันเสียใจที่รางวัลได้หมดไปแล้วแต่เธอจงรับเอาสิ่งนี้ไปเถิดตรัส ด, ดังนั้นแล้วทรงปลดสายสังวารอันงดงามจากพระสอของพระองค์และทรงพันรอบข้อพระหัตถ์แห่งสตรีนั้น เมื่อได้เห็นดังนั้นเหล่าอมตะทั้งหลายก็พากันปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งได้สืบจนทราบว่าสตรีคนสุดท้ายซึ่งมีความงามเป็นเลิศนั้นทรงนามว่ายะโสธราเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุ ป, ปพุท ธ, ธะผู้ครองนครเทวทหะนับเนื่องเป็นพระญาติสนิทของพระเจ้าสุโทธทนะนั่นเองซึ่งเมื่อทรงทราบแล้ว ในวันต่อมาก็ทรงรีบจัดส่งผู้แทนพระองค์ไปสู่ขอพระธิดายโสธราเพื่อการเสกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบุตรมีธรรมเนียมประเพณีอยู่อย่างหนึ่งในบรรดาเจ้าในศากยะวงศ์ซึ่งยกว่าเป็นเชื้อชาติที่มีความเข้มแข็ง กล้าหารแห่งเชิงเขาหิมาลัยว่าเมื่อชายหนุ่มคนใดจะสมรสเขาจะต้องแสดงตนให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขี่มา้าการใช้คันศรและลูกศรตลอดจนการใช้ดาบซึ่งแม้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะทรงเป็นถึงรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ก็ยังต้องอนุวัตตามธรรมเนียมนี้โดยไม่มีการยกเว้น เมื่อถึงวันนัดหมายชายหนุ่มแห่งแคว้นสากยะได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อแสดงฝีมือตามที่ตนถนัดต่อหน้าํามารตและประชาชนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงขี่ม้าขาวชื่อกันทกะมีความอาจหาในการขับขี่จนสามารถชนะผู้ที่เคยสามารถที่สุดในประเทศได้ เมื่อถึงเวลาประกวดการยิงศรพระองค์ก็สามารถส่งลูกศรไปได้ไกลกว่าและแม่นยำกว่าเจ้าชายเทวทัตซึ่งเคยยกย่องกันว่ายิงศรได้เก่งที่สุดในประเทศในการประลองฝีมือทางฟันดาบนั้นพระองค์ทรงฟันต้นไม้รุ่นเพียงครั้งเดียวด้วยฝีพระหัต์อันเที่ยงและประนีดเมื่อลงดาบผ่านไปแล้วต้นไม้ก็ยังคงยืนต้นอยู่ ทำให้ผู้ดูทั้งสนามคิดว่าต้นไม้นั้นยังไม่ถูกตัดจนกระทั่งมีลมโชยมาจึงค่อยๆล้มสู่พื้นดินคนทั้งหลายจึงได้เห็นว่าแผลนั้นเรียบเกลี้ยงยังกับรอยมีดที่ตัดเนยพระองค์จึงเป็นผู้ชนะเจ้าชายนันทะพระอนุชาต่างมารดาซึ่งไม่เคยมีใครชนะในการฟันดาบของเจ้าชายพระองค์นี้ได้ อันดับสุดท้ายเป็นการประลองขี่ม้าแข่งด้วยฝีเท้าอันเร็วของม้ากันทะกะก็ได้ทิ้งผู้แข่งขันอื่นๆไว้เบื้องหลังอย่างง่ายดายซึ่งทำให้นักแข่งพากันไม่พอใจบางคนพูดแก้เกอว่าเอาได้ม้าฝีเท้าเร็วเช่นม้ากันทะกะมาขี่เราก็ต้องชนะเหมือนกันมันดีอยู่ที่ม้าต่างหากหาใช่ดีที่คนขี่ไม่ ลองเอาม้าดำตัวเปลี่ยวที่ไม่เคยยอมให้ใครขึ้นหลังเลยมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าใครจะขึ้นขี่มันได้หรือใครจะนั่งบนหลังมันได้นานที่สุดเมื่อตกลงกันดังนั้นบรรดาเจ้าชายหนุ่มจึงถัดกันพยายามจับม้าดำตัวนั้นเพนขึ้นบนหลังให้ได้แต่ทุกพระองค์ก็ถูกม้าอันดุร้ายลำพองสะบัดตกลงมายังพื้นดินทุกคราวไปกระทั่งเวียนมาถึงรอบเจ้าชายอรชุน ึงได้รับนับถือยกย่องว่าเป็นนักขี่ม้าที่เยี่ยมที่สุดเจ้าชายอรชุนสามารถขึ้นนั่งบนหลังและหดบังคับมันด้วยแส้เพื่อให้มันวิ่งไปรอบๆสนามแต่อึดใจต่อมาโดยที่ใครๆคราดไม่ถึงมันแวง้งศีรษะอย่างรวดเร็วอ้าปากงับขาเจ้าชายอรชุนด้วยฟันอันใหญ่คมและแข็งกร้าว ดึงกระชากเจ้าชายให้หลุดจากหลังแล้วเวียงลงยังพื้นดินหากเจ้าพนักงานที่ระวังเหตุการณ์ได้เข้าช่วยกันรั้งมันไว้ได้ทันและอีกพวกหนึ่งช่วยกันรุมตีทางเบื้องหลังเจ้าชายอารชุนจึงรอดชีวิตอย่างหวุดวิดแต่แม้ม้าเปรี่ยวแสนร้ายตัวนั้น จะอารวาดได้ถึงเพียงไหนก็ตามเจ้าชายสิทธัตถะก็จะต้องขึ้นขี่ในรอบถัดมาตามที่ตกลงไว้เดิมทุกคนพากันคิดว่าพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตเยแล้วในครั้งนี้แต่เจ้าชายก็ทรงดำเนินอย่างเช่มช้าเป็นปกติไปยังม้าตัวนั้นทรงวางพระหัตถ์ข้างหนึ่งลงบนคอของมันพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งลูบที่จมูก พร้อมกับกล่าวคําอ่อนโยนที่หูของมันสองสามคจากนั้นพระองค์ทรงตกเบาๆลงที่สีข้างทั้งสองยังความประหลาดใจแ ก, ทก่ทุกๆคนในการที่ม้าร้ายนั้นยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกซ้ำยังยอมให้พระองค์ขึ้นบนหลังขี่ขับไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังมันทําตามทุกๆอย่างที่เจ้าชายปรารถนาโดยไม่ต้องมีการเคียนตีเลย แม่ม้านั้นก็คงประหลาดใจว่าไม่เคยมีใครปฏิบัติกับมันเช่นเจ้าชายองค์นี้เลยในที่สุดทุกคนได้ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถนั้นนอกจากจะชำนาญการกีฬาทุกประเภทแล้วยังเป็นนักขี่ม้าที่เที่ยวชาญที่สุดของประเทศอีกด้วย จึงเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่จะเป็นพระสวามีของเจ้าหญิงยโสธราผู้งามเลิศแม้พระเจ้าสุ ป, ปพุทธะพระบิดาของเจ้าหญิงก็ทรงยินดีที่ได้ยกทิดาของพระองค์ให้เป็นพระชายาเจ้าชายหนุ่มรูปงามและแก่นกล้าพระองค์นี้ด้วยความเต็มพระทยัย วิธีอภิเศกสมรสเสร็จสิ้นลงท่ามกลางความชื่นชมยินดีอันใหญ่หลวงของคนทุกหมู่เหล่าเจ้าชายและพระชายาผู้เลอโฉมเสด็จประทับนบราศาสตร์ที่พระบิดารับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่อย่างงดงามเพื่อพระโอรสและพระสุนิสาได้เสวยสุขอันแวดล้อมด้วยความเบิกบานหารือหันทุกสิ่งทุกประการเต็มตามที่คนหนุ่มคนสาวจะพึงบันเทิงได้ บัดนี้พระเจ้าสุดโทธนาะเริ่มทรงดีพระไยว่าพระโอรสของพระองค์คงจะเลิกความคิดที่จะออกผนวชเป็นนักบวชแล้วแต่เพื่อจะให้เป็นที่แน่นอนยิ่งขึ้นจึงรับสั่งมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในปราสาสนั้นเอ่ยถึงสิ่งที่นำซึ่งความเศร้าสลดเช่นความแก่ความเจ็บและความตายแม้แต่คําเดียว ผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดนั้นจะต้องป้องกันทุกทางที่จะทำให้เสมือนว่าสิ่งอันไม่พึงปรานานั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยยิ่งกว่านั้นทรงมีพระราชโอการอันเฉียบขาดว่าหากเจ้าพนักงานรับใช้คนใดมีลักษณะอ่อนเพลียหรือเจ็บไข้หรือสอไปในทางคนชราต้องออกไปให้พ้นวังทันทีทุกๆคนที่แวดล้อมพระโอรส จะต้องแสดงอาการรื่นเริงแจม่มใสตลอดทั้งวันทั้งคืนและในยามปรนิบัติเต้นรำขับกล่อมก็จะต้องไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ปรากฏประดุจว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากการยิ้มแย้มและเสียงสวนสรรชื่นบานเท่านั้นและเพื่อเป็นที่แน่พระไทยรับสั่งให้สร้างกำแพงสูงเพื่อล้อมปราศาสตและอุทยานของพระโอรสไว ทรงกำชับผู้เฝ้าประตูทั้งหลายว่าจะต้องไม่ยอมให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกกำแพงไม่ว่าการณีใดๆ